อ, อ, อลาบใใอกฟังแคสตัดดี้กันจ้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 เพราะเขาเป็นคนดีมากมาช่อเหลือครอบครัวทุกอย่างจนพ่อแม่และทุกคนยอมรับจึงได้จัดพิธีแต่งงานให้ลูกจะไม่เคยได้ใช้คำว่านางสาวเลยค่ะจากเด็กหญิงก็เป็นนางเลยพออายุได้สิบปปีก็ต่างติดตามสามีไปอยู่ที่อเมริกาทำให้ลูกต้องพัดพ ร, รากจากบ้านเกิด และครอบครัวไปตั้งแต่นั้นลูกมีบุตรด้วยกันกันกบสามีคนนี้สามคนเป็นผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนต่อมาก็ได้แยกทางกันชีวิตของลูกช่วงนั้นลำบากมาทำให้ไม่ได้ดติดต่อกับครอบครัวที่เมืองไทยเลยเพราะไม่ยายทุกคนรู้ถึงความลำบากของลูก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 ล้างชามกวาดถูพื้นเก็บร้านสารพัดยังกับเป็นเจ้าของร้านเนื้อเลยต่อมาลูกก็ได้แต่งงานใหม่มีบุตรอีกสามคนผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนรวมบุตรของลูกก็มีทั้งหมดหคนในช่วงนั้นลูกนับถือศาสนาคริสต์ตามสามีแต่ในใจในะยังสับสน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 ก็อาจจะมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะหมอเคยได้ยินว่าที่เมืองไทยมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์เยอะแสดงว่าหมอนี่อินเทนเมื่อกัน <laughs> ในช่วงเวลานั้นทางวัดกำลังโดนข่าวโจมตีอย่างหนักจึงทำให้ลูกและคนทั่ ว, วไปที่อเมริกาเข้าใจหลวงพ่อผิ ด, ผด เข้าใจผิดเข้าใจถูกใหม่ได้อาจารแต่เข้าใจใหม่อย่าให้ผิดก็แล้วกันเมื่อลูกได้แจ้งข่าวให้น้องสาวทราบเขาก็แนะนำว่าให้รีบพาหลานมาโดยด่วน <c oughs> จะพาไปหาปพีเตยไปคุณหลวงพ่อทีวัดรับรองว่าหลานไม่ตายอุย้ย <c oughs> อะไรจะขานาดนั้น <c oughs> ต้องหายแน่ๆลูกก็จึงสวนกลับไปว่า หวังว่าคงไม่ใช่วัดพระธรรมกรายแล้วหวังว่าคงไม่ใช่หลวงพ่อธรรมชยโยนนะทําให้น้องสาวหนึ่งกับอึง้งไปเลยพอมัถึงเมืองไทยเป็นช่วงที่หลวงพ่อได้ไปกองปราบเขาไม่ได้ให้ไ ป, ไปเป็นผู้ปกคร อ, ง, องนั่นนะ <c oughs> เขากำลังจะปราบรู้ไม่ใหญ่ท่านนึงน้องสาวก็ได้หลอกลูกว่าจะพาไปชอปปิ้ง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 แต่ลูกสาวลกก็สามารถถ่ายรูปได้ถูกต้องทํำให้พวกเราสงสัยว่าเขารู้จักหลวงพ่อได้อย่างไรอืออลูกสาวบอตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือพระรูปไหนแต่เขาเห็นพระรูปเนี้ยทําให้เขาคิดว่าเนี่ยใช่แน่เลยแม้ปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่เจ้าค่ะจริงทำให้เขาศรัทธาขึ้นมาอย่างแรงกล้า ลูกสาวยอมขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนบัวและก็ได้พบองค์พระภายในตัวด้วย<า>หลังจากกลับจากสวนบัวลูกสาวก็ได้มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อก่อนกลับอเมริกาหลังจากกลับอเมริกาลูกสาวก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดคือกขึ้นไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพบพระภายในที่สวนบัวนะจ๊ะ พอหลังจากกลับอเมริกาลูกสาว ก, ก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดผลการตรวจทำให้แพทย์ต้องพบกับความประหลาดใจที่สุดคือตรวจไม่พบเซนมะเร็งเลยเหมือนกับว่าไม่เคยมีล่องรอยขอ้การเป็นมะเร็งมาก่อนเหมือนล่องรอยที่ชายหาดอย่าง้ถูกคลื่นซัดหายไปจึงทำให้โูลและทุกคนรู้สึกรักละครบศรัทธามาก ลูกชายคนที่สองลูกแต่งงานครั้งแรกมีลูกสามคนลูกชายนะคนที่สองแต่ปัจจุบันไม่มีโอกาสพบเจอลูกทั้งสามคนเลย<ด>พอแต่งงานกับภรรยาคนที่สองภรรยาตั้งครรภ์ถึง11อครั้งแต่แท้งตั้งแต่อยู่ในท้อง9้าครั้งรอดมาแค่สองคือคนที่9ก้ากับคนที่11คนที่11นั้นพ่าออกมาได้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 แต่ก็ต้องอบอยู่ในตู้ถึงสเดือนปัจจุบันนี้เด็กแข็งแรงมากเด็กคนนี้เลี้ยงได้บุญจริงๆค่ะแล้วเขาชอบดูจานดาวทำตั้งแต่อายุได้ 2-3 ส, สเดือนจ้องดูไม่กระพริบตาเลยปัจจุบันอายุหนึ่งขวบแล้วค่ะลูกสาวคนที่สีเป็นโรค MS ตั้งแต่อายุ16ปีมักปวดศีรษะบ่อยๆถ้าเกิดอาการเครียดหรือสะเทือนใจกับเรื่องใดมากๆ จะช็อกเกรงและก็เป็นอมพาธได้ตลอดเวลาลูกชายคนที่ห้าเกือบจะได้บวชแล้วค่ะคือไปอยู่ที่วัดศูนย์อัสุซาโกนหัวเสร็จเรียบร้อยเตรียมบวชอยู่ที่วัดเป็นอาทิตย์มาแล้วพอจะบวชเปลี่ยนใจไม่บวชเฉยๆคือหมดอารมณ์บวชอารมณ์บวชมีช่วคราวเงินลูกสาวคนที่ห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 ด้วยทอยคําห ย, ยาบคายบ่อยๆจะลูกกับน้องสาวเคยแอบร้องไห้สงสารคุณทวดคุณทวดจะเป็นคนใจดีมากไม่เคยพูดจาหยาบคายและดุด่าใครคุณทวดเสียชีวิตด้วยโรคชราสงนใยเป็นมะเร็งที่มดลูกนอนทรมานอยู่หลายปีจึงสิ้นใจ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 สร้างพระให้ดวนลูกหลานสร้างพระภายในให้เจ็ดองค์แล้วบอกให้ลุงทรารบและให้ลุงนึกถึงบุญเพราะบุญนี้ใหญ่มากแรงมากให้ลุงนึกถึงสุวรรณิธิมหาสุวรรณิธิหมอคิดว่าคุณลุงตายแล้วเนี่ยเห็นเงียบๆเลจึงดึงท่อหายใจออก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 เหมจะยิ้มได้หัวเราะได้ลหลานๆก็พากันไปวัดสร้างพระธรรมกาไปจำตัวภายในจารึกชื่อมหาปูชินยยาจารย์อีกสามองค์<า>รวมเป็นสิบองค์<า>แล้วก็นำมหาสวนิธิไปให้คุณลุงอธิษฐานคุณลุงบอกว่าเห็นแล้วในท้องลุงเนี่ยมหาสวนิธิใสสว่างมาก ไส่สว่างตลอดลุงไม่อยากนอนลงไปสบานแล้วล่ะลุงอยากกลับบ้านแล้ว ล, งลุงอยากจะไปบวชพระ ต, ตลอดชีวิตคราวนี้ลุงจะไม่คิดสึกอีกเลยลุงอายุแค่เจบหปีก็ต้องบวชวัดล้างแล้วละต้องไปสร้างวัดล้างบวชลุงจะได้เป็นสมภารเลยสร้างุ๊บเป็นสมภาร น, นี่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 หมอยังงงจน่างกระตับนี้ น, ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ดียว น, นะคล้ายเตียงนั้นตายเตยยียงนี้ไม่ตายนี่นทไมตายันนี่ทำไมไม่ตายอะไรอย่างอาดีตน้องเคยเคยเป็นนักธุรกิจจิวรี่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศต่อมาธุรกิจล้มปัจจุบันทำธุรกิจเล็กๆพอเลียงตัวได้ปี2538พยาปรยามงเขา เป็อนน้องสาวยอดกรลยานิมิตของลูกช่วนเขาสร้างพระแบบสะสมได้สามเดือนขณะเดียวกับที่ธุรกิจิวรี้กำลังมีคดีสำคัญที่จะมีโอกาสแพ้มากถึงเก้าคดีเพราะฝ่ายตรงข้ามจ้างพยานมาให้ปากคำไม่รู้แปล่อะไรกัไม่รู้นะในตอนนั้นเขาขาดที่พึ่งเขาจึงเลือกตัดสินใจทําบุญสร้างพระที่เหลืออีกเจดเดือนในวันเดียวคือสะสมไได้สามเดือน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 น้องสาวคนนี้จะมีคำพูดดีๆมีเหตุผลที่ลูกฟังแล้วสา ม, มารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆเราสองคนรักและผูกพันกันมากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาเลยค่ะก็ว่าก็เรียกว่าอารมณ์ดีก็เอาแหวนไม่ให้เ่ยอารมณ์ดีทวงคืนอะไรางี้คือรักและผูกพันกันมากเลยคถาม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 แต่แทงไป9ก้าครั้งรอดเพียงสองคนคือคนที่9ก้าและสิเอ็ดอยากทราบว่ากรรมใดยังทำให้เป็นเช่นนั้นคะเด็กที่รอดมาก็เป็นเชื้อสายของหมู่คณะหรือเปล่าคะลูกสาวคนที่สี่เป็นโรค m อตั้งแต่อยู่ได้สิ1หปีเขาทำกรรมใดมาคะแล้วมีโอกาสหายหรือไม่คะต้องทำบุญอะไรจรึงช่วยเขาได้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 ใจเศ่อหมองด้วยกรรมนิมิตคือถ้าภาพดังกล่าวนยมาปรากฏเกิดขึ้นถ้าทำให้เขาดื่มอย่างเดียวก็โชคดีจะได้เป็นเเจ้านาทีหญิงขเขเรียกคุมพันธีในโยมโลกที่จะเพลาะทีเดียวของมหานรคุมห้าแต่ถ้าดื่มด้วย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 ก็จะเป็นคนใ บ, บ้บาปัญญาอ่อนแต่ถ้าเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างเดียวกรรมนั้นก็จะต้องมารับเลี้ยงคนใ บ, บ้บาปัญญาอ่อนหรืออย่างน้อยก็มีสมาชิกในครอบครัวเป็นใ บ, บ้บาปัญญาอ่อนจ้ะจะแก้ไขก็ต้องรีบมันสั่งสมบุญให้มากๆต้งทานั้องศีลต้องภาวนานั่งให้เห็นพระในตัว แล้วต้องสร้างปัญญาบารมีสนับสนุนการศึกษาพระเนรและก็เยาวชนอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากรรมนี้จ้าที่ลูกสาวคนที่สามเป็นมะเร็งที่มดลูกและถูกผ่าตัดเจครั้งก็เป็นเพราะกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตทำให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นมะเร็งที่มดลูก แล้ถูประทัดพระโรมกักรรมฆ่าสัตว์ไว้กินเป็นอาหารและฆ่าสัตว์ขายจะเจ้าชู้กับปานาติบาตที่เขาหายราปฏิหารพระบุญนิสรงพระธรรมกายไปจำตัวและบุญทำสมาธิจนเข้าถึงพระในตัวมาตัดรอนวิบากกรรมทำให้หายต่ก็ยับประมาทเพราะว่ายังมีเศษกรรมอยู่มันยังไม่หมด มันระ ง, งับไปให้มันสั่งสมบุญแล ะ, จะเจริญภาวนาต่อไปบุญปัจจุบันเขาจะช่วยให้หายได้จะทาต่อไปนะอย่าประมาทนะลูกนะเรื่องนี้สำคัญ <S <S เขาเคยสร้างบกามมนกระบอกคณะมาแต่ก่อนมาเจอหมู่คณะในอดีตก่อนมาเจอกันเขาได้ไปสร้างกามกาเมเจ้าชู้และปานาธิบาตมาก่อนต่อมาเมื่อมาเจอหมู่คณะจึงได้มาเป็นกองสเสบียง บุญที่เคยทำร่วมกันนี้จึงทำให้มาเจอหมู่คณะอีกในชาตินี้แล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันอีกจนถึงจนไปตัดลอนวิบากกรรมหนักให้เบาบางลงนั่นแหละลูกชายคนที่สอกับลูกสะใภ้มีบุตรการสิบอคนแต่แท้งไปเกคนเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่น้ามาไขที่มีเชื้อไข่เป็ดไข่ไก่ มีเชื้อแล้วเนะี่ยมีมีตัวแล้วนะมาปรุงเป็นอาหาร บ, าบา่อยๆกับชอบกินปลาไข่เมื่อจับมาได้บวกกับวิบากกรรมที่ทำแทงวิบากกรรม ท, ทำแทงจึงทำให้ลูกแทงไปก้าวคุณวิบากกรรมเนี่ยตามมาส่งผลได้คลี่ลอดมาก็มีเชื้อสางหมูกคณนะบ้าง แต่เบาบางยังไม่เน่นหนาเท่าไหรจ่จะให้ชวนสร้างบญในปัจจุบันให้มากๆไกจ๊ะลูกสาวคนที่สี่เป็นโรค m อตั้งแต่อายุ 16-17 ปีเพราะกพระกำน่ดีแต่เป็นคนมักโกรธเวลาโมาโหมักจะชอบทำร้ายตัวเองด้วยการทุบตีเจ oh. ้อแปลกดีชอบทำร้ายตัวเองที อ, อกชอกหัวตัวเอง oh. หวัโหวโขก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 ก็าคอยประคองไปเนี่ยแล้วก็ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อได้คบกัลยาณ น, นมิตรอยาให้เขาไปคบคนผานะและให้เขามาศึกษาเรื่องราวความจริงชีวิตให้มากขึ้นก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จ้าลูกสาวคนที่6ที่มีจิตใจเป็นผู้ชายเพราะกรรมการมีเจ้าชู้หลายหลายชาติ เจ้าชู้ตั้งชาติจะเกิดเป็นผู้หญิงและเจ้าชู้ตั้งชาติจะเกิดเป็นผู้ชายกรรมเหล่านั้นมารวมส่งผลกันกรรมเจ้าชูได้ชาติที่เป็นผู้ชายหลายๆชาติกับกรรมเจ้าชูเป็นผู้หญิงหลายๆชาติมารวมส่งผลกันโดยเฉพาะกรรมเจ้าชูตอนเป็นผู้ชายมากชาติกว่าตอนเป็นผู้หญิงคือตอนเป็นผู้ชายมีความเจ้าชู้มากกว่าตอนชาติเป็นผู้หญิงชาติเป็นผู้หญิงเจ้าชูน้อยกว่าเลย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 แต่เขอยากหลุดพ้นถนะ้าไม่อยากหลุดพ้นก็อย่าทิ้งบุญกันแล้วกันเป็นอย่างนี้สามีคนปัจจุบันที่เป็นโรคผิวหนังเพราะวัจีกรรมและกรรมปานาติบาสในอดีตโดยชอบพูดประชดให้คนเจ็บเจ็บแสบ ๆ, ๆ, ๆ, ๆพูดประชดให้เจ็บเจ็บแสบ ๆ, ๆ, ๆแล้วก็ชอบคอดเกล็ดปลาเป็นๆเพืเ่อทเป็นอาหาร กรรสองอย่างรวมเงินจะแก้ไขให้มันสดมนตให้กล่าวปิยาวาจาพูดเ พ, เพราะน่อยบ่อยไม่ใหญ่พูดเพราะวันเว้นห้าวันพูดหาวันเว้นเดือนเลยให้มีปิยาวาจาบ่อยแล้วก็มันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราไปบีบเบียร์ก็ว่าจา้า คนทวดตายแล้วไปเกิดเป็นภูมิเทวชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวแห่งหนึ่งแต่คุณยายสิจ๊ะตายแล้วไปเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเพราะกรรมด่ามารดาของตนจริงๆไม่ต้องลงไวล้ลกก่นนี้นะนี่แต่นี่ยังดีในียังพอมีบุญเก่าบ้างมาโอมไว้ได้อยู่ในระดับเปรตปากเท่ารูเข็มสรงเสียงก็ลำบาก กินก็ลำบากอูอยอีลังทำปากจู๋ดูเลยนะแล้วลองพูดแล้วลองกินดูนะเราก็จะรู้สึกว่าปากจู๋ที่มันกินหมูไม่หมูเลยกินหมูไม่ได้เลยคุณลุงได้บุญสร้างองค์พระธรรมกายจำโตมาช่วยให้ได้ลอดชีวิตขึ้นมาสร้างบารมีอีกแต่วิบากกรรมมันก็ยังไม่หมดนะจ๊ะ มันเหมือนระเบิดเวลาที่คอยเวลาที่จะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้มันสั่งสมบุญทุกบุญที่มงมากหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีจ้ะเราไปสร้างวัดร้างวัดเล็กๆเป็นสมพานลูกต้องจากบ้านจากพ่อแม่ไปไกลหลายสิบปีพระ กำนิดดิเคยยกลูกสาวให้แต่งงานเร็วหมุนลูกเจอในชาตินี้เลอย่างนี้กับกรรตอนเป็นวัยรุ่นในชาตินั้นก็หนีออกจากบ้านไปและอยากจ ะ, ะเผชิญชีวิตพังนี้ติดตัวมาจะดื้อจะเาตานั้นดื้อจะใช่คำว่าเป็นตัวของตัวเองสูงเกินกว่าที่ใครๆจะรับได้ค่อยเลราหน่อยแต่ถ้าคำย่อคือดือ้อมันมีดื้อดึงก็ดื้อด้าน เดิดึงก็พอจะดึงกันไหวเหมือนแมวอะ่ะพอเราดึงหางมันก็จะไปข้างหน้าพอดึงหัวมันก็ถอยหลังพอดึงหลังมั น, มนก็โก่งท่องพอดึงท่อมันโก่งหลังดือ้อเขาเรีย ก, กยีลิกดื้อดึงแต่ก็พอจะดึงกันได้แต่ดื้อด้า น, นี่โอ้อยากที่ตั้งแต่งานหลายครั้งก็เป็นเพราะเศษกรรมเจ้าชูงลูกตอนเป็นผู้ชายติดตามมาส่งผลจ้า ลูกจะมีกรรมที่ดื้อกับพ่อแม่ในชาติที่ออกจากบ้านนั่นแหละแล้วเคยก่อปัญหาให้พ่อแม่ในหลายหลายชาติตามมาส่งผลไม่ใช่ชาติเดียวนะคือดือ้อดื้อชาตินั้นดือนด้อชาตินี้ดื้อชาตินั่นมารวมกันที่เจอปัญหาจากลูกทุกๆคนก็เป็นภาพในอดีตของลูกหลายๆชาติมารวมกันเลยจะ้ะเคาเลียกยอดดื้อคือเอาความดื้อมาต่อๆกันแล้วอยู่บนยอดเลยแค่เลกสุดยอดดือ้อ เตอนี้ทั้งเก่งและดีและเจ้าคือบางชาติก็ตามเป็นผู้ชายก็ดื้อย่างตามเป็นผู้หญิงก็ดื้ออีกอย่างกับพ่อแม่เนี่ยเทกรรมหลายๆชาติกรรมดื้อมารวมกันสงน่งผลเลยไปเจอโลกกดื้่ที่จะทำให้เกิดปัญหาอะไรเรื่อยๆเหนื่อยๆลูกและน้องสาวันที่สองก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาเป็นกรณีพิเศษสังกันและกัน เป็นเพื่อนกันบังเป็นพี่น้องกันบังจึงรู้สึ ก, กรักและผูกพันให้และคืนให้และทถงคืนได้เอาทถงคืนเราไปให้ใ ห, ใหม่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะเรารักและผูกพันลูกก็เคยสร้างบุกัหมู่คณะมาแบบกองเสบียงจ้กองเสบียงประเภทตามอารมณ์แหละไม่ค่อยจะสม่ำเสมอแต่ใ น, นชาตินี้บางทีก็บางทีก็คลัง่งบางทีก็พร่องอะไรงนะี้ ก็ต้องให้มันสั่งสมบุญนะลูกนะทุกบุญให้เต็มที่แล้วติฐานจิตตั้งติดไปด้วยสิบบุรีวงมุญพิเศษเขตบรมโมพติสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ า, านี่ก็เป็นเรื่องราวของเครสตีสันๆ น, นเลยจ้า